สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้อนรับท่านผู้ฟังทั้งหลายสู่รายการธรรมรับบรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกพบปากกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันละเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นคำสอนของพุท ธ, ธะเพื่อให้เข้าถึงคาสอนนั้นได เลาที่เราจะเข้าถึงคําสอนนั้นได้รูปแบบของข้อมูลต่างๆที่จะมาสู่ผ่านทางหูบ้างผ่านทางตาบ้างรูปแบบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็ามากันในหลากหลายรูปแบบสมัยก่อนก็ใช้เป็นวิธีการบอกปากต่อปากผู้เรียนสอนเป็นคําเทศคําบอกคําเล่าได้ฟังมาก็บอกต่อกันไปนี่เป็นวิธีการแบบหนึ่ง สมัยต่อมามีการลงอักษรเขียนเป็นตัวหนังสือบันทึกไว้ด้วยวัสดุต่ตางๆอาจจะสลักจารึกไว้บนแผ่นหินบ้างสลักจารึกไว้บนแผ่นกระดานไม้บ้างเขียนไว้เป็นกระดาษเป็นใบลานบ้างบนใบไม้บ้างก็เพื่อติว่าจจะให้บุคคลที่ได้มาอ่านข้อความตรงนี้ได้รับข้อมูลต่อกันไปได้ ในสมัยปัจจุบันโรามีเทคโนโลยีการพิมพ์มีเทคโนโลยีที่ทํากระดาษออกมาได้อา้าวคุณก็เอากระดาษมาใส่เครื่องเรียงพิมพ์เข้าไปเครื่องเรียงพิมพ์ก็เป็นสมัยใหม่พิมพ์มากมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลอา้าวแยกแจกแจงเป็นภาษาต่างๆภาษาอังกฤษเขาก็มีคนพูดกับแปลไปภาษาไทยมีคนพูดกับแปลไปเพื่อที่จะให้คําสอนนั้นแผ่ไปแปลไปแล้วก็เพื่อที่จะ ให้บุคคลที่รับฟังรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้มีความสุขได้พ้นจากทุกข์เป็นมงคลคําสอนเหล่านี้ธรรมาางจะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าเออคุณมีหนังสือเป็นหนังสือธรรมะโหเป็นของเก่าวมากเลยเก็บเอาไว้นอนหนุนนะกราบบูชาทุกวันแล้วมันจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนคิดว่าหนังสือที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎก แต่คุณกราบเช้ากราบเย็นจะเป็นานซึ่งความสุขแต่จะทำให้ความทุกข์นั้นมันหายไปลักษณะแห่งการาอ้อนวอนตัวว่าเราอ้อนวอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นหรืออ้อนวอนความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันดับไปถ้าใครจะสำเร็จประโยชน์อะไรเพียงแค่การอ้อนวอนในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะพูดกันตรงๆแต่ถ้าทุกคนอ้อนวอนแล้วมันจะสาเร็จขึ้นมาได้ มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยเพราะคนเจ็บป่วยแล้วก็อ้อนบอนก็ขอให้หายอ้าวสำเร็จนิ่งๆๆคนจนก็อ้อนวอลขอขอให้ร่ารวยอ้าวสำเร็จนิ่งๆๆคนที่เจอไปพิบัติอะไรต่างๆเราก็อ้อนบอลมาขอให้มันไม่เกิดขึ้นนิ่งๆๆสําเร็จได้เงี้ยมันจะไม่มีคใครเสื่อมจากอะไรแต่ไม่ฝังซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นตอนที่เราอ้อนบอนจนกระทั่งบัวกลับมาบ้าน คนตายก็ต้องตายอยู่ดีคนเจ็บไข้เราก็ต้องเจ็บไข่ยอยู่ดีหรือว่าถ้าภัยธรรมชาติมันจะเกิดมันก็เกิดอยู่ดีแต่ว่าที่มันเกิดหรือมันไม่เกิดเนี่ยมันอาศัยอะไรตรงนี้ละคือความรู้ที่เราอ่านข้อมูลเราฟังเสียงศึกษาคำสอนของพุทธาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ว่าสิ่งอะไรก็ตามจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นความแก่ความตาย เป็นภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึง่งสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นถ้าเหตุแห่งการเกิดของสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนั้นนั้นก็ต้องมีอยู่ถ้าเหตุแห่งการเกิดของสิ่งนั้นนั้นไม่มีอยู่สิ่งนั้นก็จะต้องตับไปเพียงแค่การอ้อนวอนโดยที่ไม่ได้สร้างเหตุในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดเพียงแค่ฮ้อนวอนให้เกิดขึ้นของสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้สร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของมันหรือเพียงแค่อ้อนวอนให้มันดับไปในสิ่งที่เราต้องการให้มันดับไปแต่ไม่ได้ทําเหตุแห่งการเกิดขึ้นของมันให้ดับไปมันจะไปดับได้ย่งไรมันจะไปเกิดขึ้นได้ย่งไรการฟังธรรมะท่านบวชก็เพื่อให้เข้าถึงเข้าใจตรงจุดที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจาเหตุเพื่อเข้าใจตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนโดยปยัญชนะ โดยอันธะและก็คือสิ่งนี้นั่นเองสิ่งนี้โดยเปียนชนะพระเจ้าใช้คำว่าเป็นอนัตตาอนัตตาก็หมายถึงสิ่งนี้มีอยู่ในเวลาที่มันมีเหตุของมันอยู่สิ่งที่เราพูดถึงนี้มันก็จะดับไปในเวลาที่เหตุของมันดับไปโดยบทเปลียนชนะเปลี ย, ยนชนะเนี่พระเจ้าจะใช้คำว่าอนัตตาโดยในความหมายก็อย่างที่อธิบายนี้ เพราะนั้นคำสอนของบริพุทธาต่งางๆมีความลึกซึ้งในเรื่องของบทพียัญชนะด้วยมีความลึกซึ้งในเรื่องของอัตถะคือความหมายด้วยเพราะนั้นเวลาที่เราฟังข้อมูลใดๆก็ตามที่มาจากต่างเสียงหรือเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้เข้าถึงคือคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะเข้าถึงให้ได้เพื่อที่เราจะได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เราไอ้แค่ความจริงแค่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่มีเหตุก็ต้องมีสิ่งนั้นแต่เหตุแห่งสิ่งนั้นดับไปสิ่งนั้นก็ดับไปนี่ยไอ้แค่ความเข้าใจตรงนี้บางทีเราโอ้คิดในสมองในคิดไปใครควรมาเ อ, อิ่มก็ได้ไงก็เข้าใจอยู่แต่เป็นความรู้เป็นข้อมูลในสมองของเราอย่างเช่นฤ ด, ดูหนาวแต่ที่มีกำลังจะมาเนี่เหตุของมันก็เพราะว่าโลกนั้นเคลื่อนห่างออกจากดวงอาทิตย์ตนี่เป็นเหตุเหตุหนึ่ง ทางออกจากแหล่งความร้อนมากขึ้นความเย็นมันก็ปรากฏขึ้นและจะมีเหตุอย่างอื่นๆเช่นระบบคลื่นไฟฟ้าในโลกเหนี่ยวนำก็อาจจะทําให้เกิดได้หรือว่าระบบลมที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทิศทางไปแต่ความร้อนความหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปบางปีหนาวมากบางปีหนาวน้อยเหตุต่างๆเหล่านี้มันก็มีแต่บอกว่าเหตุตรงนี้มันหายไปเปลี่ยนแปลงไป เ, เช่นโลกเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความหนาวตัวนี้มันก็หายไปเปลี่ยนเป็นความร้อนขึ้นมาแทนหรือระบบที่ตั้งลมเปลี่ยนแปลงไประบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปทำํำไมความหนาวมากหนาวน้อยมันก็เปลี่ยนไปเป็นความร้อนมากเป็นความร้อนน้อยเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพราะว่าอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปเป็นไปตามเหตุของมันที่มันมีหรือมันไม่มีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอนัตตา เราอาจจะเข้าใจสิ่งนี้ผ่านทางการใกล้กลัวทางสมองก็ใช่ตพระองค์นี้พูดมีเหตุผลเต่พระพรุทธเจ้าพูดมีเหตุผลแต่สมควรด้วยเหตุสมควรได้ผลเข้าใจได้อยู่ผ่านทางสมองเป็นความรู้ที่เราเก็บเอาไว้แต่บางคนก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นจินตมยพปัญญาหรือคือเป็นปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการใรกล้กลัวนในจิตของเราอันนี้ก็เรียกว่าจินตมยปัญญาบางคนเรียกอย่างนี้ก็มีแต่บางคนก็เรียกว่าความรู้ก็มี นี้ความรู้หรือว่าปัญญาในระดับที่เกิดจากการใรกร้ครวญเราฟังธรรมะท่านผู้ฟังเราต้องการที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้แต่เราต้องการความลึกซึ้งในระดับที่เข้าไปในจิตเราต้องการความเข้าใจในจริงๆแล้วบทเพียรชนะที่พระเจ้ากําหนดออกมานี่ก็ผ่านทางจิตใจของพระองค์ผ่านจากจิตใจแออกมาผ่านทางภาษาผ่านทางภาษาออกมาเป็นคําพูด แต่มันเป็น3ขั้นตอนอย่างนี้นะจากจิตใจของพระรูชารู้ทำเห็นทำใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งจะบอกทำนั้นแม่มันจะสื่อสารกันยังไงล่ะมันก็ต้องผ่านเป็นภาษาออกมาเอามีการกําหนดบทเพลงชนะคิดไกลๆในสมองนี่คือสเต็ปที่2ขั้นที่2สองออกมาเป็นบทเพลงชนะพูดออกมาทางคําพูดอันนี้เป็นขั้นตอนที่3จากขั้นตอนที่3าม เราได้ยินเสียงใดๆที่เป็นธรรมะคาสอนเราอ่านหนังสือใดๆที่เป็นข้อมูลคําสอนอมีการเชื่อตามมีการรู้ตามอันนี้เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญามีความเข้าใจในระดับที่ฟังอ๋อฟังแล้วเข้าใจดีฟังแล้วรู้รับทราบข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลผ่านมาแต่ข้อมูลที่ทําให้เรามีความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นบางคนเขาก็เรียกว่าสุตตมยปัญญานั่นคือปัญญาในระดับ ที่เกิดจากการฟังคุณฟังแล้วคุณก็รู้อันนี้คือสุตตมียปัญญาเขาว่ากันอย่างนั้นในบางคนก็เรียกว่าเป็นแค่ข้อมูลดิบที่ผ่านมาเอาข้อมูลดิบนี้แต่นะที่เขาเรียกกันว่าสุตตมียปัญญาผ่านการกล่นกลองไครครวลของตัวเราเองของตัวเราเองนะพิจารณาแยกแยาหาเหตุผลเออนี้ใช่อันนี้ก็ใช่เหมือนกันเอานี้เกี่ยวข้องกับอนันนี้เออนี่เปลี่ยนอย่างนี้เออนี่ไม่เกี่ยวเอาแยกไว้ก่อน การใกล้ควรพิจารณาตรงนี้เปลี่ยนจากข้อมูลที่ฟังมามันเป็นความรู้เปลี่ยนจากสุตมิยปัญญามาเป็นจินตมิยปัญญานีคือระดับที่สองเปลี่ยนจากข้อมูลนั้นมันเป็นความรู้ที่อยู่ในสมองของเราสิ่งที่เราต้องการฟังธรรมะใกล้ครวรเพื่อให้เข้าใจมันต้องเข้าไปในใจตังทังว่งมันไม่ได้เพียงอยู่แค่สมองมันไม่ได้เพียงแค่เป็นระดับของความรู้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ ระดับของจินตามยปัญญาแต่ที่เราฟังธรรมะไคร์ครวญธรรมะนั้นก็เพื่อต้องการให้เกิดการเข้าไปในจิตให้เกิดเป็นความรู้อันยิ่งเกิดเป็นปัญญาที่สำหรับเจาะแทงกิเลสปัญญาที่จะชํำระ ก, กิเลสให้ออกไปได้แต่ปัญญาตรงนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาในการที่จะให้จิตของเรานั้น มีความรู้อันยิ่งตรงนี้เกิดขึ้นมาความรู้อันยิ่งนี่ก็เรียกว่าอภิญญาเต็มฟังอภินยาคือความรู้อันยิ่งเป็นใบเพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งนิพพานคือความเย็นเย็นอยู่ในใจเวลาเราฟังธรรมะแล้วให้ใจของเราเนี่ยมันเย็นเย็นนั้นเกิดจากการที่กิเลสมันออกไปกิเลสออกจากใจกุศลธรรมเข้าสู่ ใ, ในใจทำอะไรก็ตามที่ กุศกลธรรมออกไปจากใจของเรามากขึ้นมากขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจงเรามากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแต่เป็นความเย็นอย่างหนึง่งความมีเมิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราฟังธรรมะแล้วแม่มันจะไมแรกกิเลสมันกัดกิเลสออกไปมันขูดเกล่าวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราจะกังวลใจสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําดีไหมสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอ่าพอเรามีความแจ่มแจ้งว่าอ๋อไม่ดีเราไม่ทํา ไอ้ที่ดีๆเราทํามีความแจ Kang ่มแจ้งมีความมั่นใจแล้วมันเย็นใจมันสบายใจความเย็นใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจตรงนี้เป็นผลของการที่เรานำธรรมะนั้นเข้ามาสู่ในใจเพอมีธรรมะเกิดขึ้นในใจกุศลธรรมเกิดเพอมีธรรมะเกิดขึ้นในใจอกุศลธรรมดับไปการกระทํำที่ท kind of okay, ําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นการกระทํำที่ทําให้อกุศลธรรมมันหายไปออกไปจากใจนั้น นั่นคือการกระทำของปัญญาเป็นปัญญาเพื่อที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นปัญญาเพื่อที่จะทําให้เกิดาการจําแระกิเลสปัญญานี้ก็เกิดจากการที่เราสามารถเห็นตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนได้เห็นตามที่สอนอเราพิจารณาตามที่สอนที่บอกที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้บอกเอาไว้พิจารณาใคร้ครวนตามแล้วเห็นตามด้วยใจคือแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เห็นตามด้วยใจอยู่อย่างถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนั่นคือปัญญาที่เรียกว่าเป็นภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดความรู้ยิ่งเป็นอปิญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากความรู้พร้อมนั่นคือสัมโพดีเป็นไปเพื่อความเย็นอยู่ในใจนั่นคือนิพานเย็นจากอะไรดับเย็นจากสิ่งที่เป็นทางกามเป็นทางปยาบันเป็นทางเบียดเบียนนำเย็นจากสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องคอง เรื่องข้างบนความฟุ้งซ่านความง่วงซึมหรือความโกรธขัดเคืองดับเย็นจากสิ่งที่จะเป็นบาปอคุโสเลิศทั้งหลายเราฟังธรรมใดๆก็ตามเพื่อนฟังจะเป็นใครพูดใครกล่าวหรือว่าใครเย็นเอาไว้เราต้อง ท, ทําจิตใจของเราให้เป็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าคุณนั้นสามารถที่จะเข้าถึงธรรมเห็นธรรมะได้และบางครั้งบางทีคําสอนต่างๆเหล่านั้นที่เราฟังเราใครค่ครวญเราปฏิบัติ เราอาจจะไม่ได้เห็นในะขณะที่เราได้ฟังได้ใกล้ครวญได้ปฏิบัติเราอา จ, จะไม่ได้เห็นตรงนั้นก็ได้เห็นเวลาคุณไปฟังพระเทศฟังรายการธรรมะจิตอาจจะสงบเย็นอยู่ใช่หรือว่าอาจจะเข้าถึงธรรมะในระดับได้ระดับหนึ่งอ่านหนังสือมีความเข้าใจมีความเย็นใจท่า น, นั้นก็เป็นกรณีหนึ่งเป็นระดับหนึ่งแต่บางทีความเข้าใจธรรมะเนี่ยมันกิจากการที่เราอยู่ในประสบการณ์จริง อยากจะพูดถึงว่าสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาบางสิ่งบางอย่างที่เราใคร่ควรเออมันก็จริงเทียงไม่ได้แต่เราจะเห็นเราจะก่อนความเข้าใจที่ลึกซึ้งแยี่ยมกายเกิดความเข้าใจถึงชนิดที่เจาะแทงกิเลสเนี่ยบางทีมันก็ต้องอยู่กับสถานการณ์แต่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเช่นคนที่เรารักแต่จากเราไปเช่นสิ่งที่เราหวงแหนอยู่ๆมันก็หายไป หรือว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ผัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งคนก็าด่าเราบ้างเหตุการณ์ที่ไม่ชอบใจบางอย่างเกิดขึ้นบ้างเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ้างบางทีรูปแบบของความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะเนี่ยกิดจากสถานการณ์ที่เราเจอเพราะเวลาที่เราพบเจอผัสสะใดๆมีการกระทบผ่านทางตาผ่านทางหูจมูกลิ้นกายใจเจอสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ธรรมะาเหล่านั้นที่เรากระทบเราพบเจอเนี่เป็นสิ่งที่จะทําเครื่องขูดกลา่าวแต่ทําความแจ่มแจ้งในชีวิของเราได้เสมอบางคนจะคิดว่าเราจะต้องเจอแต่ภาษาที่น่าพอใจเจอแต่สุขเวทนานั่งสมาธิก็มีสุขเวทนาถึงจะเห็นธรรมเรียกว่าดีแล้วหรือว่าอ่านหนังสือก็ต้องมีปีติเนะมีประโมทเกิดขึ้นในใจเอออันนี้ดีแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างไัก็ได้ตาฝัง บางทีเราเจอภาษะที่ไม่น่าพอใจแต่ถูเขาดา่าถูเขาว่าอันนี้เราก็เห็นธรรมได้เหมืนที่เรานั่งสมาธิแล้วมันปวดมันเจ็บตรงนั้นมันไม่เห็นสบายเหมืนอนที่เขาว่าเลยเราก็ต้องเห็นธรรมมาไดน้นเพราะว่าธรรมมาเนี่ยมันอยู่ในทุกสิ่งสุขก็มีทุ ก, ก็มีไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์ถ้าจะเอาแต่ความสุขไม่เอาทุกข์แสดงว่ายังไม่เข้าใจยังเจอทุกข์ไม่พอเอาไปเจอทุกข์มากๆหน่อย เจอทุกมากมากหน่อยจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่มีแต่สุขเท่านั้นที่จะมีธรรมะทุกก็มีธรรมะเหมือนกันสุขและทุกเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มันมีในโลกเราเข้าใจแล้วจะมีสุขก็ได้จะมีทุกก็ได้เราก็มีธรรมะได้ทั้งสิ้น่ะบุคคลที่มีธรรมะในใจแล้วมันสุขใจอยู่ข้างหนแต่ความสุขใจความสุขการไม่เหมือนกันสุขใจที่ว่าสุขใจแล้วมันก็ยัมีสุขใจที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกแต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข มันก็ยังมีละเอียดที่เป็นอุเบกขาเป็นความนิ่งเฉยความมางเฉยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะใกร้กรวนธรรมะพิจารณาธรรมะทัรระ้งหมดไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ตัวบทเพียนชนะข้อความเอาตรงนั้นก็ดีแต่เป็นมาในรูปอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ความสุขเวทนาสงบเย็นอยู่ในใจเอาตรงนั้นก็ดีก็ได้แต่มันมาในรูปของความทุกข์ มาในรูปของความที่ไม่น่าพอใจก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่บทเพียนชนะตัวหนังสือแบบนี้เน่ต้องเป็นแบบที่พระเจ้าพูดเป๊ะๆอย่างอื่นไม่ได้อันนั้นก็ดีแต่มันมาในรูปอื่นก็มีเหมือนกันเพราะว่าธรรมะนั้นอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่จิตจิตของเราด้วยอยู่ที่จิตแนี่นไม่ใช่ที่เวทนาแต่รรมันนั้นอยู่ที่จิต แต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นอาจจะบอกข้อมูลอะไรบางอย่างแต่เวลาธรรมะเกิดไม่ได้เกิดที่ตัวหนังสือไม่ได้เกิดที่เวทนาแต่ไม่ได้เกิดที่ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เวลาเกิดขึ้นมันเกิดในจิตจิตนั้นนนัแหละธรรมะฝังที่ยังมีธรรมะอยู่ได้จิตนี่แหละบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นความหมายรู้เป็นตัวหนังสือเป็นสัญญาเป็นข้อมูลบอกต่อกันมามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันมีการทรงจํากันอยู่ได้แต่พอมีสัญญา มีความหมายรู้เป็นข้อมูลเกมเป็นตัวหนังสือหรือเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขบอกต่อข้อมูลมาอยู่ในจิตของเราแต่เราต้องเปลี่ยนแปลตงตัวนี้ให้เข้าสู่ใจให้ใจเราเห็นธรรมะ ต, ตรงนี้ได้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีข้อมูลที่มาโดยบทเพีชนะเป็นเรื่องราวคําสอนของพุทธะที่เป็นบทเพียนชนะของพระเจ้าก็มีเป็นอัตตาเป็นความหมายอย่างเดียวกันกําหนดบทเพีชนะแบบอื่นก็มีเราเข้าถึงธรรมะ ต, ตรงนี้ให้ได้ด้วยใจของเรา คนที่ใจมีธรรมะเนี่ยตั้งบริบงจะมีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมมีความเย็นใจอยู่ภายในในเรื่องของการก้าวร้าวความกระด้างกระเดึองแสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจต่อให้แม้กับคนที่เราไม่ชอบใจคนที่เราเกลียดเขาก็จะไม่ทําอย่างนั้นด้วยซ้าเพราะว่าความก้าวร้าวความโกรธความขัดเืองความไม่พอใจเนี่ยเป็นอกุศลธรรมคนที่มีธรรมะเนี่ย จเจ้าอาธรรมมาไว้ในใจมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าเขามีธรรมะอยู่อย่างถนะูกต้องนะแต่นี้ก็ต้องเห็นใจว่าบางคนก็กําลังฝึกกําลังทำํำคอยฝึกคอยทําคอยปฏิบัติอยู่เพราะบางทีมันกอาจจะยังไม่ถึงจุดสมดุลที่เราเรียกว่าเรามีธรรมะแล้วในบางส่วนในบางส่วนอาจจะมีอาธรรมเกิดขึ้นเราก็ค่อยปรับค่อยทําเอาตรงนี้ต้องให้โอกาสกันตรงนี้ก็ต้องฝึกปฏิบัติกัน ตรงนี้ก็จะต้องทําความช่ำชองทําความชํนานาญให้เกิดขึ้นห้ได้โดยเฉพาะยิ่งทำฝั่งบุคคลที่อยู่ในเส้นทางธรรมะคิดว่าชีวิตชันนี่แหละในชาตินี้จะต้องเห็นธรรมะให้มันได้สักในระดับใดระดับหนึ่งมีความตั้งใจมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะอยู่ในหนทางธรรมแต่เป็นผู้ที่เดินไปตามเส้นทางคือมรรคที่พริเจ้าได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้แต่ถ้าคุณคิดว่า เส้นทางที่เรากําลังจะไปอยู่นี้แต่มันมีอยู่เราเดินทางไปตามทางนี้แต่ปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่คิดว่าฉันจะอยู่ในทางธรรมนี่คือเครื่องทดสอบตำเป็นอันนี้ครับเ้ายืนยันได้ดาต้องมีเครื่องทดสอบว่าคุณอยู่ในทางได้จริงหรือไม่เพราะในขณะที่เราเดินไปบางทีมันเป๋แต่เป๋ไ ป, ปทางข้างทา ง, ทางตนนัวนี้แต่จะออกนอกทางแล้วแต่มันก็ต้องมีเครื่องมาดันไว้ ให้คุณกลับเข้าอยู่ในทางแต่คุณไปเดินไปเดินไปเอาออกนอกทางเปไปทางนู้นอีกแล้วก็ต้องมีเครื่องมาดันเอาไว้แนตะ่ชิงให้เรากลับเข้าไปอยู่ในทางแตนะ่เครื่องดันเครื่องกระแทกหรือว่าเครื่องทดสอบตรงนี้แหละเต็มั ง, งที่มันจะมีแต่ทําเมไรที่เราเริ่มออกนอกทางเปมันจะเริ่มมีเครื่องทดสอบนะมาดันให้เรากลับเข้าไปอยู่ในทางอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณขัดเกรื่องบ้างบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณลุ่มหลงบ้าง บางสิ่งบางอย่างทำให้เราไม่เข้าใจบ้างอันนี้อะไรอันนี้เปลอไปยังไ ง, ง น, นั่คือลักษณะของสิ่งที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าอ้อเราเริ่มออกนอกทางแล้วแล้วเราจะปรับเราจะทำอย่างไร ใ, ให้เรากลับมาอยู่ในทางตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทรงสติแคอยตั้งสติคอยเอาใจจดใจจ่อดูจิตของเร า, เาไว้อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆอยู่ยังไม่ขาดสาย ให้ทำอยู่อย่างติดต่อเราพิจารณาดูให้ดีเห็นให้แจ้งว่าแม้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ก็จะเป็นบททดสอบเป็นเครื่องที่จะมาทดสอบเราได้เหมือนกันแม้เรื่องราวข่าวสารที่บ่านมาตั้งตาหรือตั้งหูอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะช่วยเป็นบททดสอบให้เราอยู่ในทางได้เหมือนกันแม้อาหารที่เรารับประทานหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่เราพบเจอมันอยู่ สิ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะช่วยเราให้อยู่ในทางได้เสมอแต่บางคนอาจจะคิดว่าไอ้เครื่องกระแทกกระทบต่างๆเหล่านี้นะมันจะทำให้เราออกนอกทางแต่มันก็กระแทกกระทบให้เรากลับเข้าอยู่ในทางได้เหมือนกันมีนอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนจะบ้า ง, งถ้าเรามองมุมผิดคุณก็จะออกนอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรามองมุมถูกแล้วเราก็จะอยู่ในทางเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นมันธรรมดาแต่เราต้องอยู่ในทาง เราจะต้องรักษาสิ่งของเราให้ดีเราต้องทําจริงของเราให้เป็นอารมณ์อันเดียวเราต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นแจ้งว่าโอ้สิ่งนี้คือทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้สิ่งนี้คือทุกขเวทนาก็ดับไปได้สุขเวทนาก็เกิดขึ้นได้ดับไปได้ความรู้สึกบางอย่างและความเห็นบางอย่างสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันก็ปรับไปเปลี่ยนไปเราเข้าใจตรงนี้นี่แหละคือปัญญาก็จะถกเถียงกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นได้ พอวานไปสักระยะหนึง่งที่มันก็ดับไปเรื่องราวใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาแต่แต่จิตของเราให้อยู่ในตาจิตขอเราให้คงความเป็นอารมณ์อันเดียวรักษาสี่งของเราให้ดีให้มีสัมมาวาจาพูดจาคําพูดคําจาอะไรออกมาก็าให้เป็นคําที่น่าบันเทิงใจฟังแล้วมีความฟูใจมีความชื่นใจนั่นพูดวาจาที่ทําให้เกิดการสมัครสมานสามเมืกีกันการกระทําใดๆก็ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนกระแทกกระทัน แต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความสงบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจคิดถึงบุคคลผู้อื่นก็ให้ระลึกอยู่ด้วยความรักความเมตตาอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขเขามีความสุขอยู่ใดๆก็ยินดีปราโมทพอใจไปกับเขาด้วยแต่เขามีความทุกข์อย่างใดๆเกิดขึ้นเราก็มีจิตมีใจที่ปรารถนาจะให้เขาพ้นจากทุกข์บางอย่างเราทําได้เราทําไม่ได้เราก็วางเฉยบางก็ได้ ให้จิตใจเรามีโพรหมิหารสี่นั่นคือเมตตากรุณามุริตาเบขาอยู่อย่างนี้แอบไปทั้งทางทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนกับคนที่มีกําลังแข็งแรงสามารถเป่าสังที่เป็นเสียงสังดังต่งวานออกมาเนี่ยให้ได้ยินได้ทั้งสี่จิตโดยไม่ยากจิตใจของเราที่อยู่ในทางทําอย่างนี้แล้ว แต่สิ่งที่เป็นความรักความเมตตาเป็นพรมิหานออกไปในทุกที่ทุกทางในบ้านเมืองโลกของเราก็จะค่อยเจริญขึ้นโลกทุกวันนี้ทั้งหังอย่างที่เราเห็นมันเป็นยังไงและเราแก้ไขได้ด้วยจิตใจที่มีเมตตากันมีกรุณากันทำจิตใจให้มันดีให้มันสูงท่งจิตใจของเราให้อยู่ในทางเครื่องทดสอบอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่จะคอยมาสะกิดมาเตือนให้เรารู้สึกตัวว่าเราต้องทําจิตของเราให้อยู่ในทาง บททดสอบนั้นอาจจะมาแล้วมาอีกแต่ทาให้จิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งมีความแก่กล้าคนที่ต้องทํางานใหญ่เา็มฝั่งมันจะต้องมีจิตใจที่มีกําลังมีความสามารถมีพลังจิตใจจะมีกําลังมีความสามารถมีพลังได้มันจะต้องมีเครื่องที่มาทดสอบนักกล้ามหรือว่านักยกน้ําหนักเขาฝึกยกน้ําหนักในการที่จะยกน้าหนักให้ได้มากเขาก็ต้องยกน้าหนักให้หมันมากๆมีการต้านทานเจออุปสรรคที่มาก ใจก็จะค่อยมีกําลังมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมาได้เรื่องนี้ไม่ได้ยากํามฝังเป็นสิ่งที่แค่ว่าเรามองให้ถูกเรามองให้ถูกมุมเรามองถูกมุมแล้วอันนี้เป็นสมาธิเรามองถูกมุมแล้วจะทําความเข้มแข็งในใจของเราให้เกิดขึ้นได้และตานประฝังยังมีคําถามในเรื่องการฟังธรรมะในหมดใ ด, ดจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องราวของการปฏิบัติหรือเป็นเรื่องราวในชีวิตประชามันที่เราพบเจอเจอเจออยู่เนี่ย มีข้อสงสัยในส่วนต่างๆเหล่านั้นสามารถติดต่อกับทางข้าพชาได้ยินดีที่จะตอบให้ตอนนี้เสียงมันยังมีอยู่และตอบให้ได้อยู่ยังพูดได้อยู่โดยการสร่งเป็นจดหมายหรือว่าใบเสนอตรมาที่วัดบ่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ี่ห0าน หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ p u r มา com. U r e D h a m, m a c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a.com เขียนมาแล้วก็จะอ่านพิจรนารณาแล้วก็จะตอบให้ในวันนี้ครับระชาพระมหาภัยบุญอภิปุโ น, โนก็ขอลาไปก่อนท่เรีนผ